ปุเรชาตทุกขไนห้ารยสี่สเหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13าวาระณอารมณปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระณอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13าวาระณอนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสิบาวาระ นัสหาชาตปัจจัยกับนัปูเรชาตปัจจัยมี11วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนัปูเรชาตปัจจัยมีสิอวาระนันิติญปัจจัยกับนัปูเรชาตปัจจัยมีสิอวาระนุปนิติญปัจจัยกับนัปูเรชาตปัจจัยมี13าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนัปูเรชาตปัจจัยมีสิบสาวาระ น้อาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระน้กรรมมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระน้วิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระน้อาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระน้อินเตริยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระน้าชาณปัจจัย กับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนสัมปยุตต์ปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตต์ปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระโนนัติปัจจัยกับนบปุเรชาตปัจจัยมี13วาระ นวิคตปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมี13วาระนอวิคตปัจจัยกับนภูเรชาตปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยนาทิปฏิปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนาอารามานปัจจัยมี13วาระนาอนันตรปัจจัยกับละมี13วาระ นาสมนันตรัปัจจัยกับละมีสิบสาวาระนาชาชาต์ปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสิบอดวาระนาณิติญปัจจัยกับละมีสิบอดวาระนาปนิจญาปัจจัยกับละมีเก้าวาระนปัจฉาชาต์ปัจจัยกับละมีสิบสาวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสิบสามวาระ นกรรมปัจจัยกับละมี13าวาระนวิปากปัจจัยกับละมี13บาวาระณอาหารปัจจัยกับละมี13าวาระในอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระณาชาณปัจจัยกับละมี13บาวาระนมรคปัจจัยกับละมี13บาวาระนาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมี11ดวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับพระมีเก้าวาระโนอธิปัจจัยกับพระมีเก้าวาระโนนธิปัจจัยกับพระมี13าวาระโนวิกตปัจจัยกับพระมี13าวาระโนอวิกตปัจจัยกับพระมีเก้าวาระและอัตถกนัยนาอัญญมัญญปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยนาเหตุปัจจัย นาอารามนาปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอ an นันตรปัจจัยนาสมนันตระปัจจัยและนาสหัชชาตปัจจัยมีสิบอดวาระนานิตยปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาอุปนิทยปัจจัยกับละมีห้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระนาเสวนปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนะ นกกรมปัจจัยกับละมี11ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมี11ดวาระนอาหารปัจจัยกับละมี11ดวาระในอินตรียปัจจัยกับละมี11ดวาระนชาณปัจจัยกับละมี11ดวาระนมะกะปัจจัยกับละมี11ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี11ดวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมี9วาระ โนอติปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนนติปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนวิกตาปัจจัยกับละมีสิบอดวาระโนอวิกตาปัจจัยกับละมีเก้าวาระละทัตตะไนนาอปนิสติยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนาเหตุปัจจัยนาอารามณปัจจัยนาอธิปฏิปัจจัย นาอนันตระปัจจัยนาสมานันตรปัจจัยนาสหัชาตปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยแในแต่ลนิสยปัจจัยมีห้าวาระนาปัจชาชาตรปัจจัยกับละมี9้าวาระนาอาเสวะนปัจจัยกับละมีสิอดวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสิบอดวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสิบอดวาระ น้อาหารปัจจัยกับละมีสิอดวาระน้อินทรียปัจจัยกับละมีสิอดวาระน้าชาลปัจจัยกับละมีสิอดวาระน้มรรคปัจจัยกับละมีสิอดวาระน้สัมปยุตตปัจจัยกับละมีสิอดวาระน้วิปยุตตะปัจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจัยกับละมี9วาระโนนัตติปัจัยกับละมีสิอดวาระ นวิกตปัจัยกับละมีสิบอดวาระโนอวิกตปัจัยกับละมีเก้าวาระเอกาทัศกนัยนปัจฉาชาปัจัยกับนปุเรชาตปัจใจในเหตุปัจใจณอารมณปัจใจละณนิจญาปัจัยและณอุปนิจญาปัจัยมีสามวาระณอสเสวณปัจัยกับละมีห้าวาระณกรรมปัจัยกับละมีห้าวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนาฌานปัจจัยกับละมีห้าวาระนมกคปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนอัติปัจจัยกับละมีสองวาระโนนติปัจจัยกับละมีห้าวาระ โนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บย่อนปุเรชาตมูลกันัยจบนปัจฉาชาตทุกันในหย54่อในเหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้วาระณอารามณณปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบ้าวาระ นาที่ปฏิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนอนันตระปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนสมานันตระปัจจัยกับนาชานปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนสหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเอ็วาระนนิติยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระ นอุปนิเียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตาปัจจัยมีสิบห้าวาระ ในอินทรียปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนัชานปัจจัยกับนัปัชฉาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนามัคปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบห้าวาระนัสสัมปยุตตปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมี9้าวาระโนอธิปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยมี9้าวาระ โนนัติปัจัยกัปัชฉาชาตปัจจัยมี15วาระโนวิกขตปัจจัยกัปัปฉาชาตปัจจัยมี15วาระโนอวิกขตปัจจัยกัปัปชาชาตปัจจัยมี9วาระและจตุกนายณทิปติปัจจัยกับนปัปชาชาตปัจจัยในเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี15วาระ นาอนันตรปัจจัยกับละมีสิบห้วาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระนาสหาชาตปัจจัยกับละมี9้าวาระนาอัญญามัญญปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาณิสยปัจจัยกับละมีเก้าวาระนาอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสิบสวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบสามวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับละมีสิหวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสิห้าวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสิบ้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสิห้าวาระนาชานปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระนามัคคปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระนาสัมปยุตตปัจัยกับละมีสิบอดวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีฆ่าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีฆ่าวาระโนนัติปัจจัยกับละมีสิบ้าวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีสิบ้าวาระโนอวิขตปัจจัยกับละมีฆ่าวาระละอัตถกนัย นัอัญญมัญญปัจัยกับนปัจชาชาตาปัจใจนัเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนัอธิปติปัจใจนัอนันตรปัปจใจนัสมันันตรปัปจใจและนัสหชาตาปจจัยมีก้าวาระนันิตยปัจจัยกับละมีก้าวาระ นอุปนิเตยปัจจัยกับละมีห้าวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีก้าวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีก้าวาระนักรรมปัจจัยกับละมีก้าวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีก้าวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีก้าวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีก้าวาระนัชานปัจจัยกับละมีก้าวาระ นามัคปัจจัยกับละมีก้าวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมีก้าวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีก้าวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีก้าวาระละทัศกนัยนอุปนิสตยปัจจัย กับนัปปัจฉาชาตปัจจัยในเหตุปัจจัยนะอารามานปัจจใจนัทิปติปัจจัยนัอนันตระปัจใจนัสมนันตระปัจใจนัชาหาชาตปัจใจนัอัญญมัญญปัจจัยและนันิสียปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับพระมีก้าวาระนัอาเสวะนปัจจัยกับพระมีก้าวาระนักกรรมปัจจัยกับพระมีก้าวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีก้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีก้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีก้าวาระนาชาณปัจจัยกับละมีก้าวาระนมัคคปัจจัยกับละมีก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีก้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนัตโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระ โนนัตถิปัจจัยกับพระมีก้าวาระโนวิกตปัจจัยกับพระมีก้าวาระโนอวิกตปัจจัยกับพระมีก้าวาระเอกาทัศกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยละนานติยปัจจัยและนัอุปนิติยปัจจัยมีสาวาระ นอาเสวะนปัจจัยกับละมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสาวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระในอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาชานปัจจัยกับละมีสามวาระนามัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนาสัมพยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระ นาวิปยุตปัจัยกับละมีสามวาระโนอัตติปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บย่อนัปปัชชาตะมูลกกนัยจบกับนาอาเสวนปัจจัยในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนนาเหตุปัจใจนักกรรมทุกนัย ห้าสในเหตุปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสิบ้าวาระนารามานปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสิบห้าวาระนาทิปติปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสิบห้าวาระนอนันตระปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสิบห้าวาระนาสมนันตระปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสิบ้าวาระนาจารยตาปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสิบเอดวาระ นอัญญมัญญปัจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสิบเอดวาระนนณิติยปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสิบอดวาระนอุปนิติยปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสิบห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสิบสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสิบห้าวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสิบห้าวาระ นาวิปากับปัจจัยกันกรรมปัจจัยมี15วาระนาอาหารปัจจัยกันกรรมปัจจัยมี15วาระนอินทรียปัจจัยกันกรรมปัจจัยมี15วาระนาอนปัจจัยกันกรรมปัจจัยมี15วาระนมัคคปัจจัยกันกรรมปัจจัยมี15วาระนสัมปยุตตาปัจจัยกันกรรมปัจจัยมี11วาระ นวิทยุตัดปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมี9วาระโนอธิปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมี๙วาระโนนัติปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมี15วาระโนวิกตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมี๑๕วาระโนอวิคตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมี๙วาระละจตุกนัยนาอธิปติ ปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามะนปัจจัยมีสิบห้าวาระละนัอุปนิสตยปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระละนัอวิกตปัจจัยกับละมี9้าวาระละทัศกนัยนักุปนิสตยปัจจัย กับนกกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยละณอนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิอดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระนอาศัวะนปัจจัยกับละมีสิอดวาระละโนอวิคตปัจจัยกับละมีเก้าวาระเอกาทศกนัย นบปุเรชาตปัจจัยกับนกธรรมปัจจัยในเหตุปัจจัยละนัอุปนิสตยปัจจัยมีห้าวาระนัปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาเสว่นปัจจัยกับละมีห้าวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีหวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนับชาลปัจจัยกับละมีห้าวาระ นัมมะขะปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหวาระละเตรัสกนัยนาอาเสวะนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนาเหตุุปัจจัยละนาปุเรชาตปัจจัยและนปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงุเล็บย่อ กับนวิปากับปัจจัยพึงในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนนาเหตุมูลกนัยณอาหารทุกกันันห้ายสี่สานาเหตุปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีสิบห้าวาระณอารามานปัจจัยกับนหานปัจจัยมีสิบห้าวาระนาทิปฏิปัจจัยกับนหานปัจจัยมีสิบห้าวาระนาอนันตรปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีสิบห้าวาระ นาสมานันตรปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบห้าวาระนาสหาชาตรปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบอ็ดวาระนาอัญญมัญญะปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระนานิสตยปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาอาหารปัจจัยมีสิบสามวาระละโนวิกตา นอวิคตปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมี๙วาระละจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับนอาหารปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมี15วาระละณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี๑๓วาระละโนอวิคตปัจจัยกับละมี๙วาระละอัฏฐกนัย อัญญมบรรยัปใจกับณอาหารปัจจใจณเหตุปัจจัยละณสหชาตปัจจัยมีสิบอดวาระณนิตยปัจจัยกับละมีสิบอดวาระณอุปนิสตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระณอาเสวณปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นากรรมปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปากัปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนอินทรียะปัจจัยกับละมีเก้าวาระนชานปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนมะขปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปยุตตาปัจัยกับละมีเก้าวาระโนอัติปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนนัติปัจัยกับละมีสิบเอดวาระ โนวิคตปัจจัยกับละมีสิบอดวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมี9้าวาระละทัศกนัยนอุปนิสตยปัจจัยกับนอาหารปัจจัยนเหตุปัจจัยละนนิสตยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิอวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี9้าวาระ นอาเสวนปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสิอดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนอินทรียะปัจจัยกับละมี9้าวาระนาชานปัจจัยกับละมีสิบอดวาระนมักระปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมี9้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมี9้าวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี11วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี9วาระเอกาทัศกนัยณปุเรชาตปัจจัยกับะอาหารปัจจัยณเหตุปัจจัยละณอุปนิสัยปัจจัยมีหวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหวาระ นกกรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนัชานปัจจัยกับละมีห้าวาระนมมะขปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัิปัจจัยกับละ มีหวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระละแต่รัศกาในัยณอาเสวะนปัจจัยกับนอาหารปัจจัยนเหตุปัจจัยละนปุเรชาตปัจจัยและนปัจฉาชาตปัจจัยมีสวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ ในอินทรียปัจจัยกับละมีสองวาระนัชานปัจ네จัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปเยตตปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปเยตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนอัติปัจจัยกับละมีสองวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระ โนอาวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระละปันนละสักไนนวิปากปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยนะเหตุุปัจจัยละนะปัจฉาชาตปัจจัยและนะอาเสวะนปัจจัยและนะกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนะชาณปัจจัยนะมัคคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตาปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยกับละ มีอย่างละหนึ่งวาระอัฏารัศกนัยนสัมปยุตตะปัจจัยกับนหะนอาหารปัจจัยนเหตุปัจจัยและนกกรมปัจจัยนวิปากะปัจจัยนัชานปัจจัยและนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมือเล็บย่อนอินตริยะปัจจัย ห้าร้อยสี่สิบสี่ณเหตุปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีสิบห้าวาระณอารมณปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีสิบห้าวาระละโนอวิกตปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระละจตุกนัยณธิปติปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีสิบห้าวาระละ นุปนิสัยปัจจัยกับละมีสิบสามวาระละโนวิโนอวิคตปัจจ hm ัยกับละมีเก้าวาระละอัตกนัยนอัญญมัญญปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยนเหตุปัจจัยละนสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนนินสยปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นปัจฉาตาตัดปัจใจกับละมีก้าวาระนอาเสว่านับปัจใจกับละมี๑๑วาระนกรรมปัจจัยกับละมี๑๑วาระนวิปากปัจจัยกับละมี๑๑วาระนอาหารปัจจัยกับละมีก้าวาระนัชานปัจจัยกับละมี๑๑วาระนมัคคปัจจัยกับละมี๑๑วาระนสัมปยุตต์ัจจัยกับละมี๑๑วาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมี๑๑วาระโนวิขตปัจจัยกับละมี๑๑ปาระโนวิขตปัจจัยกับละมีก้าวาระละทัศกนัยเหนาปนิสยปัจจัยกับนอินทรียาปัจใจนาเหตุปัจจัยละนาิสยปัจจัยมี๕วาระ นปุเรชาติปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระนอาเสวณปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนอาหารปัจจัยกับละมีเก้าวาระนัชาณปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนมรรคปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นัสสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสิบเอ็ดวาระนณวิปยุตตะปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมีสิบเอ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสิบเอ็ดวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีเก้าวาระเอกาทศกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนอินทริยปัจจัยนเหตุปัจจัยละ นปณิสตยปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนกกรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระนอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้เตรัศกาใน น้าอาศัวะนปัจจัยกับน้อินทรียปัจจัยน้เหตุปัจจัยและน้ปุเรชาตปัจจัยและน้ปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนักกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระน้อาหารปัจจัยกับละมีสองวาระน้าชาณปัจจัยกับละมีสามวาระน้มรรคปัจจัยกับละมีสามวาระน้สัมพยุติปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปยตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระละปัณณรักนัยนวิปาะกปัจจัยกับอินทรียปัจจัยนาเหตุปัจจัยละนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัชชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนอตโนนัตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีสกนัย โนวิกตปัจจัยกับนัอินทรียปัจัยนเหตุปัจจัยและนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนชานปัจจัยนมะขะปัจัยนสัมปยุตตาปัจัยนวิปยุตตาปัจจัยและโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระในมึงเล็บย่อกับนชานปัจจัยมะขะปัจจัยในมึงเล็บพึงขยายพิจาดานเหมือนนเหตุมูลและกไนกับนสัมปยุตตปัจใจในมงเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือน นาอัญญมัญย์มูลกนัยนวิปยุตตทุกกันใย545หนาเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนาอารามานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนาที่ปฏิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนาอนันตรปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนาสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระ นาสหชาตปัจจัยกันวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนอัญญามัญญาปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนนิตยปัจจัยกันวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนอุปนิตยปัจจัยกันวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกันวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกันวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกันวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระ นกรรมปัจจัยกันวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนวิปากับปัจจัยกันวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนอาหารปัจจัยกันวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนอินตริยปัจจัยกันวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระ นัชชานปัจจัยกนวิปปยุตตปัจจัยมีก้าวาระนมัคขปัจจัยกนวิปปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกนวิปปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระโนอธิปัจจัยกนวิปปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระโนนัตติปัจจัยกนวิปปยุตตปัจจัยมีก้าวาระโนวิคตปัจจัยกนวิปปยุตตปัจจัยมีก้าวาระโนวิคตปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระละ ตุกนนาที่ปฏิปัจจัยกับนวิปยุติปจัยนัเหตุปัจจัยและนัอารามณปัจจัยมีก้าวาระนัอนันตรปัจจัยนัสมนันตรปัจจัยนัสหชาตปัจจัยนัอัญญบัญญัตปจจัยนัอนิตนาณิติยปัจจัยนัอุปณิติยปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยนัอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหารปัจจัย นอินตริยปัจจัยนะชาณปัจจัยนะมัคคัปปจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนอัติปัจจัยโนนัติปัจจัยโนวิกตปัจจัยโนวิขตปัจจัยทั้งหมดนี้กับละมีอย่างละก้าวาระละทัศกนัยนภินิตริยปัจจัยกันวิปยุตตะปัจจัยนเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนัอธิปติปัจจัยนันตระปัจจัยนัสมนานตรปัจจัย นัตหาชาตปัิจัยนัญญาบรญยัปปจัยและนนิตยปัจจัยมีสวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีก้าวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีก้าวาระเอกาทัศกนัยนัปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยนะเหตุปัิจัยนะอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนัณนิตยปัจจัยและนอุปนิทยปัจจัยมีสามวาระ นัปปัชชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระนาเสวนปัจจัยกับพระมีสามวาระนกกรรมปัจจัยกับพระมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับพระมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับพระมีสามวาระนักชาปัจจัยกับพระมีสาวาระนมัคคปัจจัยกับพระมีสามวาระนสัมปยุตปัจจัยกับพระมีสามวาระ โนทิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัติปปจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิกตาปปจัยกับละมีสองวาระละอัฏฐารสกนัยนัชชานัจจัยกับนวิปยุตตาปปจัยนัเหตุปปจใจนัอารามนาปจจัยในมุเล็บย่อปปจัยที่เป็นมูลนักกรรมปัจจัยนวิปากปปะใจและนัอินตริยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมือเล็บจ่อโนอัิทุกกนัย546 น, นเหตุปัจจัยกับโนอัิปัจจัยมีเก้าวาระนะอารามานปัจจัยกับโนอัิปัจจัยมีเก้าวาระนะอธิปฏิปัจจัย นานันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยนะสหัชชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจายนะนิติยปัจจายนะอุปนิติยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนาวิปากปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินตริยปัจจัยนาชานปัจจัยนามะขะปัจจัยกับนามะขะปัจจัยนาสัมปยุตตะปัจจัยนาวิปยุตตะปัจจัยโนนะติ ปัจจัยโนวิกตปัจจัยโนอวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับโนอัติปัจจัยมีอย่างละก้าวารละเจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับโนอัติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีก้าวาระละณนิตยปัจจัยกับละมีก้าวาระณอุปนิตยปัจจัยกับละมีสองวาระละทัศกนัย นาอุปนิสยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยนาเหตุปัจใจนาอารามานปัจใจนาอธิปฏิปัจใจนาอนันตรปัจใจนาสมนันตรัปัจใจนาสหาชาตปัจใจนาอัญญามัญญปัจจัยและนาณิติยปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีก๕วาระละโนอวิกตปัจจัยกับละมีก้๕วาระ เอกาทัศกนัยณปุเรชาตปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยในวุงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและณอุปนิสัยปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวณปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัย ณอิ PA, นทรียปัจจัยณชาณปัจจัยณมัคคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตาปัจจัยโนอัตติปัจจัยโนวิกตปัจจัยโนอวิกตปัจจัยกับละทั้งหมดนี้มีอย่า marca, งละสองวาระละสัตตรัศกนัยนณช euh าณปัจจ ouais ัยก Re ับโนอัตติปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในมุเล็บย่อปัจจัยที่เป็นโมล น้อาเสวนปัจใจน้าวิปากปัจัยน้อาหารปัจจัยและน้อินตรียปัจจัยมีสองวาระละโนอวิคตปัจัยกับละมีสองวาระละเอกวีสกนัยโนนัตถิปัจจัยกับโนอัตถิปัจใจน้าเหตุปัจจัยละน้าอุปนิสียปัจัยน้ปุเรชาตปัจใจน้าปัจฉาชาติปัจใจน้าอาเสวนปัจใจน้าวิปากปัจใจน้าอาหารปัจใจน้าอินทรียปัจจัยละ นวิปปยุตตาปัจจัยมีสองวาระโนวิกตปัจจัยกับพระมีสองวาระโนอวิกตปัจจัยกับพระมีสองวาระเตวีสกนัยในมูเรบสุปปนิสยะโนอวิกตปัจัยกับโนอัติปัจจัยนาเหตุปัจจใจละโนวิกตปัจจัยมีสองวาระเตวีสกนัยในมูเรบสักรรมะ โนวิคตปัจจัยกับโนอติปัจจัยนาเหตุปัจจัยในมุเลบย่อปัจจัยที่เป็นมูลนันติตยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลนักรรมปัจจัยละโนวิคตปัจจัยมีก้าวาระโนนัตถิทุกไนห้า้ยสี่สิเจ็ดนเหตุปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยมีสิบห้าวาระในมุเล็บย่อ โนนัตถ no no like, so ิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยในมือเล็บปัจจัยนี Arri ้เหมือนกับนาเหตุปัจจัยโนวิกตทุกไนัย548สนาเหตุปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยมีสิบห้วาระในมืเล็บย่อโนวิกตทุกไนัย549สนาเหตุปัจจัยกับโนอวิกตปัจจัยมี9้าวาระนาอารามณปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยมี9้าวาระ นาอธิปฏิปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมีก้าวาระละโนวิคตปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมีก้าวาระกับโนอวิคตปัจจัยในมูลเรตปจจัยนี้เหมือนกับโนอธิปัจจัยการนับปัจญญะแห่งปัญหาวานจบ